I'm t a f r a i มิวันนี้ก็จะมาแสดงในเรื่องของคำว่านัตถิสันติปรมังสุขขังที่ได้กล่าวว่าไม่มีสุขใด ยิ่งกว่าความสงบฉะนั้นคำว่าความสงบถ้าเราพูดในเรื่องของทางพุทธศาสนาก็มีความสงบอยู่หลายระดับตั้งแต่เบื้องต้นธรรมกลางและก็ในที่สุดแห่งปริโยศาสตร์ เรามาเริ่มต้นกันในความสงบก่อนสงบจากกายวาจาใจชีวิตเราก็มีอยู่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแต่ความสงบครั้งนี้ก็จะเอาเริ่มจากกำว่าสงบ จากคำว่ศีลก่อนคือสงบจากการรักษาศีลเมื่อรักษาศีลอะไรสงบกายสงบวาจาสงบธรรมะสงบอะไรไม่ได้หมายถึงว่าวาจาสงบคือไม่พูดนั่นคนใบนะ กายสงบไม่ได้หมายถึงว่าไม่ทำอะไรยังทำอยู่ยังพูดอยู่แต่มีกายสงบวาจาสงบสงบจากบาปทั้งหลายนั่นก็หมายถึงว่ากายไม่ทำบาปวาจาไม่ทำบา อาจะมาเคยกาหนดดูว่าคาว่าบาปบางคนเขาก็บอกบาปทำอย่างนี้บาปอย่างนั้นบาปอย่างนี้บาปอย่างนี้บาปจะมาบอกบาปมันคืออะไรหรือคำว่าผิดศีลเป็นบาปฟังหลายคนพูดบางทีก็ไม่ตรงกัน เดินไปหาหมอสิบหมอก็ได้มาสิบโรคบางทีไอ้ที่ไม่เป็นดันมาเป็นก็มีไอ้ที่เป็นบอกไม่เป็นก็มีสุดท้ายก็ใช้สติกาหนดพิจารณาว่าบาปก็เกิดจากเราไปละเมิดผู้อื่นเดือดร้อนทำลายเบียดเบียน จนถึงหนักไปเรื่อยๆให้คนอื่นเดือดร้อน น, น, นั่นก็เริ่มแล้วเริ่มจัดว่าเป็นบาปทำลายให้ร้ายนั่นแหละทั้งหมดก็คือเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวิธีไหนก็ตามบาปแล้วนรกเกิดอกุศชนเกิด นั่นคือบาปฉะนั้นวิธีไม่ให้บาปเกิดก็ต้องไม่เบียดเบียนไม่ทําลายใครไม่ให้ร้ายใครนอกจากนี้ใครว่าบาปธรรมาบอกไม่สนธรรมาไม่สนนอกเหนือกว่านี้ใครบอกเป็นบาปธรรมมาเฉยๆใจเราไม่มีเบียดเบียนไม่ทําลายไม่ให้ร้าย บาปเกิดไม่ได้คําพูดพูดไปแต่บาปไม่มีเหมือนว่าจีที่จะกล่าวอะไรไม่เบียดเบียนใครบาปก็ไม่มีไม่ให้ร้ายใครไม่ทำร้ายใครด้วยวาจาบาปเกิดไม่ได้แล้วบอกรู้แล้วรู้แล้วว่าบาปเกิดเพราะการเบียดเบียน หยุดเบียดเบียนหยุดให้ร้ายหยุดทำลายบาปจะไม่เกิดนี่คือข้อแรกไม่เบียดเบียนผู้อื่นและต้องไม่เบียดเบียนตัวเองละเอียดถึงคําว่าไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะบางคนก็ยังเบียดเบียนตัวเองทรมานตัวเอง ยังเป็นบาปอยู่นะบาปฉะนั้นนักบวชภาวนาทั้งหลายสิ่งเสพติดทั้งหลายเขาไม่หยิบเข้ามาอะไรที่เบียดเบียนตัวเองทุกเรื่องเนี่ยต้องหยุดคิดมากเกินไปบาปเกิดไหมเกิด น, นอนไม่หลับ มันก็บรรทอนเบียดเบียนตัวเองฟุ้งซ่านขึ้นมาได้มานบอกเออมันละเอียดขนาดนี้เชียวบาป ก, กินยาเกินขนาดมันก็เบียดเบียนตัวเองถ้าทำาด้วยเจตนานเนี่ยนั่นก็คือฆ่าตัวเองนะบาปทามาบอกเออ ไม่ใช่แต่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช่แต่ไม่ทำร้ายให้ร้ายผู้อื่นแม้ตัวเองก็เหมือนกันไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่ให้ร้ายผู้อื่นบาปจึงจะสงบลงบัดนี้กายว่าจะได้สงบแล้วจากบาปทั้งปวง จบลวการกระทําทั้งหลายบาปจะไม่มีอีกเลยคำพูดทั้งหมดบาปจะไม่เกิดอีกเลยนี่คือความสงบโดยแท้แล้วก็หยุดเบรนกรรมหยุดเวรนกรรมได้ตบะบอกเข้าใจแล้ว มีหน้าบอกรักษาสีบได้ความสงบสงบจากบาปเวรกรรมทั้งหลายลึกขึ้นไปอีกหรือสูงขึ้นไปอีกเป็นความสงบจากการทำฌานทำสมาธิ เขาเรียกจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านให้อยู่กับสมาธิทำสมาธิเกิดองค์ฌานขึ้นจะเป็นปฐมทุติตาติจะตุและแต่รูปฌานนะรูปฌานก็สุดแล้วแต่ความสงบ ในรรมกลางก็คือสงบจากการทำสมาธิมิน่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสีลสมาธิปัญญามันคืออะไรว่าเป็นบันไดก็เริ่มต้นก็คือสงบบาตแล้วก็สงบ ใจจากการทำสมาธิการทำฌานให้เกิดขึ้นออความพยายามมันก็สงบลงจิตความฟุ้งซ่านความเคลิบเคลิมความรำคาญใจ ความลังเลโลเลทั้งหลายว่าใจมันดิ่งลงก็จะสงบได้ได้อํอำนาจแห่งการทำฌานแต่ถามว่าเสื่อมได้ไหมได้ได้ฌานนี้เสื่อมไดนะ้ไม่ใช่ว่าเป็นอมตะหรือจีรังนะเสื่อมได้ เสื่อมได้บางคนทำฌานแล้วก็ฌานเสื่อมก็ได้จริงยังไม่ใช่ความสงบในขั้นสูงสุดเป็นเพียงสงบในร้ำกลางกายวาจาแล้วก็ทำให้ใจสงบสูงขึ้นไปอีก คว่าความสงบนี่แหละนัตติสันติปรมังสุ g ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอาตมาค้นหาภาษิตคานี้บาลีที่แปลว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและความสงบคำนี้มันอยู่ที่ไหนทําไม จึงใช้คำว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นไปได้หรือความสงบขั้นสุดยอดเลยต่อมาก็มาเทียบตั้งแต่เริ่มต้นทำกลางสุดท้ายความสงบที่กล่าว ไม่ใช่คืออาการไม่ใช่คืออากับกิริยาแต่มันเป็นความสงบจากกิเลสคำนี้เป็นความสงบจากกิเลสมีหน้าพุทธา้าสอนให้ฆาดเสียซึ่งกิเลส ไม่สอนให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้สอนให้ทําลายสิ่งอื่นแต่บอกให้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลศของโลกโอ้โหชัดเลยครับพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลศของโลก นี่ที่พระพุทธเ จ, เจ้าให้พวกเราค่าและให้สาวกกำหนดรู้เออรู้แล้วโลลัปปะฮิโนอาดิโยสุเมธาโซ เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีโลกัตสะปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกชัดเลยมาอยู่บทธรรมวัดเช้าเนี่ย โลกัสซะปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียสิ่งบาปและอุปากิเลสของโลกนั่นแหละฆ่าสิ่งนี้ที่ไม่บาปก็คือให้ฆ่าเสียสิ่งบาปและอุปกิเลส จริงๆโลกมันก็คือใจเรานั่นแหละที่เราดูดซับมันนับเดือนวันปีขึ้นมานับพบภูมิชาติขึ้นมาเราดูดซับเข้าไปมากเลอะเกินจนเป็นสาเสวะอุบกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายในกำมลสันดาลสุดท้ายเป็นความสงบจากกิเลส ทำยังไงให้สงบเออใช่โจทย์บอกว่าให้ฆ่ากิเลสละบาปฆ่ากิเลสเป็นต้นเหตุแห่งทุกน้อยใหญ่และเป็นต้นเหตุแห่งพบน้อยใหญ่ ในเมื่อบอกจะเป็นผู้ค่าเอ า, เ อ, า, เ อ, าเอาวุธชนิดไหนประเจ้าค่ะเอามีดเกาทันหอกหรือปืนอากานิวเคลียร์ไดนามิคหรือจอบเสียมขวานเรื่อยทั้งหมดที่กล่าวมา มันเอาไว้ทำลายวัตถุแต่ทำลายกิเลสไม่ได้ทำลายกิเลสไม่ได้ต้องใช้คำว่าพัสดถธรรมพัสดถธรรมชี้นำให้เรา รู้ถึงสัจจะความจริงก่อนเพื่อให้เกิดคาว่าสติปัญญาพระพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นอาวุธเขาเรียกว่าพุทธสปัญญาพระพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นอาวุธนะพุทธสปัญญาวุธังพระพุทธเจ้า มีพระปัญญาเป็นอาวุธพุทธะปัญญาวุฒังพระพุทธเจ้าใช้ปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าบาปที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดที่รวมอยู่ในใจทั้งหลายทั้งปวง ว่าเออทำยังไงปัญญาที่เราจะนำมาเพื่อฆ่าบาปอุปกิเลถึงความสงบจากกิเลยมลองกำหนดดูนะ ง่ายก็ไม่ยากถ้าบอกยากก็ไม่ง่ายเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากตัวเราและเราเองก็เป็นผู้ลิขิตชีวิตดำเนินไปแล้วสุดท้ายก็จะจบสิ้นอยู่ที่เราสิ้นสุด ก็อยู่ที่เราฉะนั้นเราก็ต้องเอากายยาวว่ากว้างสอกหนักคึกเอามาเป็นอุปกรณ์แห่งการบําเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรม พระเดียาวจัดสอนว่าเป็นอาการสาสิบสองประชุมด้วยธาตุสีดดินน้ำไฟลมแยกออกมาเป็นอวัยวะน้อยใหญ่เอามาพิจารณากันและทำยังไงให้อุบกิเลสเนี่ยมันสงบลงโยมต้องหัดปรงก่อน ปงก่อนจะปลงก็ต้องให้รู้ว่าอะไรจริงอะไรเป็นมายาสิ่งลวงตาอะไรคือเท็จอะไรคือสิ่งลวงดูให้เห็นก่อนมายาใจ ยมรู้ไหมใจมีมายากิรลยาที่แสดงออกเป็นมายาอาศัยร่างกายแสดงอยู่แสดงบทอะไรยมต้องดูออกให้หมดแยกให้ได้ว่าดีชั่วคืออะไรผิดถูกอยู่ที่ไหน บาปบุญคุณโทษไช้เกิดอย่างไรต้องกําหนดทั้งใจทั้งกายทั้งวาจาและก็ชีวิตที่หายใจเข้าออกสติสัมปชัญญะความคิดความรู้ความรู้สึกอารมณ์การปรุงแต่งเหตุผล ความชอบความชังความเกลียดความรักความใคร่ความมีความเป็นทั้งหมดจะมาบอกเริ่มจากชีวิตเราไงจะโยมปฏิบัติกับต้นไม้ไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าไม่ได้เทนในต้นไม้ฝังพระพุเทธเจ้าแสดงให้กับมนุษย์โลก ที่ไปบอกถึงช น, นินสามพี่นอ้องตอนนั้นกำลังบูชาไฟเนียกว่าไฟจะชำระให้บริสุทธิ์บางลัที่ก็ลงไปแช่น้ำใช้น้ำชำระให้บริสุทธิ์บางแห่งก็ใช้การทรมานตนเองให้บริสุทธิ์ บางคนก็เปลยกลายเพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์ทวงอวัยวะตัวเองให้บริสุทธิ์มีลีลาทีท่าการปฏิบัติเป็นแนวโยคะก็มีหลายแบบเรื่องเหล่านั้นพระเจ้าเราทำมาแล้วอัตตะกิละมฐานิโย อย่างตนเดือดร้อนอย่างตนลำบากทำมาแล้วจนถึงอดอาหารทำมาแล้วเอาชีวิตไปปฏิบัติมาแล้วเอาร่างกายเนี่ยไปบำเพ็ญมาแล้วแต่ที่สุดยังไม่ใช่ไปทำฌานมาแล้วรูปฌานแปดทำมาแล้ว ในรูปฌานสี่ทำมาแล้วยังไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงทราบว่าอดกายเนี่ยไม่บรรลุอดใจเท่านั้นบรรลุจริงแยกให้ผู้บำเพ็ญรู้กาย รู้จิตรู้ชีวิตรู้ธรรมแยกออกมาเป็นขันห้าลูปเวทนาสัญญาสังขารบิญฑญ์แยกมาเป็นสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแต่ทั้งหมดยืนยันว่าไม่ได้เทศนอกกายไม่ได้เทศนอกจิตชี้ลงไปที่กายจิต ชีวิตให้เรารู้คาว่าสัจธรรมสัจธรรมล้วนมีอยู่ให้ศึกษาเราหลงคว้าของเปล่าดูหน้าคำหลงเจริญเพลิดเพลินในกองกรรมจึงชักนำเบียนไหวในสาข์ บางคนอยู่ไปอยู่มาสับสนโทษฟ้าโทษโผล่บอกเออฟ้ากําหนดกฎกรรมนําชีวิตพรล่ลิขิตขีดเส้นสุดเร้นหนีกระยาจบเข็นใจไพร่ผู้ดีล้วนแต่มีกรรมเก่าเป็นเงาตัวชัดนะล้วนแต่มีกรรมเก่าเป็นเงาตัวมาจากอะไรกรรมเก่าเป็นเงาตัว มาจากสิ่งที่พันพัวในชีวิตจิตที่เราได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปางก่อนป็นคกำกล่าวเป็นเงาตัวแล้วเราจะแก้อย่างไงแม้มิให้กรรมเคราะห์เกาะตามติดเออจงทําจิตประราดกิเลสไรเหตุชัว่วเข้าทางแล้ว และกำจัดตัดเอาวิชาพาม묻มัวจึงพาตัวผลสาบสิ้นบาปกรรมพวกเรายังอยู่ในต้องคำสาบเหมือนคนยังไม่สิ้นบาปสิ้นเวรสิ้นกรรมบอกเอ อ, อยังร้องให้อยู่หรื อ, อยังโศกเศร้าอยู่หรื อ, อยังพิไรรำพันอยู่หรื อ, อยังคับแค้นอยู่หรือ ยังโศกเศร้าเสียใจอยู่หรือยังน้อยเนื้อตํำใจอยู่หรือยังโกรธอะไรอยู่หรือแล้วแต่ทั้งหมดมันก็เกิดจากใจของเรานี่แหละบอกเริ่มจากเราธรรมะบอกเอาละ่ะนั้นเราก็มาศึกษาความเป็นเราจนถึงจบ ความเป็นเราไม่ใช่เราแต่เป็นเพียงว่าเราปามันยิ่งกว่าคานิยามใช้อีกนะเนี่ยความเป็นเราใช่เป็นเรานี่แหละเราปะมันปรัดชยาอีกนะเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องจริงต่อให้อิงเป็นนิยายเป็นนวนิยาย มันก็คือส่วนหนึ่งที่เคยเกิดเคยมีเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นทิงชังเครียดแค้นไม่ใช่พึ่งเกิดตอนนี้มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรักชอบเกลียดชังไม่ใช่เราเพึ่งรู้จักมีมานานแล้วพระพุทธเจ้าก็มาใช่พึ่งมีพระองค์นี้พระองค์เดียวกว่าพระสมณะพุทธโกดม จรมตรัสรู้พระพุทธเจ้าไม่รู้กี่พระองค์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในแต่พัตตะกับหนึ่งจะมีกี่รูปก็นแล้วแต่และผ่านมากี่พัตตะกับแล้วของเรานี่ห้าพระองค์พัตตะกับนี่ยังมีองค์หนึ่งพระสีอริยะไม่ตายต่อจากพระองค์นี้อีก จิงสิ้นพัตตกับหนึ่งนี้ห้าองค์นี้จึงบอกเออในที่สุดการปฏิบัติที่จะเข้มข้นได้ต่อเมื่อเราทุ่มเททั้งกายทั้งวาจาและก็ใจทำแบบต่อเนื่องจะมาเห็นนะพูดคำนี้ พูดปุ๊บแสดงปั๊บเห็นเลยหยดน้ำหยดหนึ่งจะไม่กลายเป็นสายน้ำหลายหยดน้ำรวมกันจึงเป็นสายน้ำหลายสายน้ำต้องรวมกันจึงเกิดเป็นแม่น้ำหลายแม่น้ำไหลรวมจึงเกิดเป็นทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกแล้วก็ว่ากันไป นั่นมันถึงพลังที่สามารถลงสู่ความเป็นใหญ่คือมหาสมุตรการปฏิบัติธรรมเราก็เหมือนกันวันเวลาที่ต่อเนื่องนับแรงเดือนปีนับหลายๆปีจนเป็นหลายชาติก็ต่างมุม่งตรงลงสู่จิตวิญญาณเท่านั้นและก็มีเท่านี้จริงๆนอกนี้ ปรุงแต่งทั้งนั้นสิ่งจอมปลอมสิ่งหลอกลวงสิ่งมายาสิ่งนําพาเข้ามาทั้งหมดเราจึงเรียกว่าหลงไหลเผลอไผลใจแห่งตนจนเกิดความโกรธขึ้นในใจความโลภขึ้นในใจ บอกจะมาบอกมนุษย์คุณไม่เข้าใจตัวเองแล้วคุณยังบอกว่าอันเดอร์แสดงอยูนะ่ไม่ใช่ทะเลาะกันไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีวาทะวาทีต่อยตีไม่เลิกนับวันรุนแรงมากขึ้น บอกว่าจากคุณไม่สงบการกระทําของคุณไม่สงบใจของคุณไม่สงบกิเลสของคุณไม่เคยสงบเลยริ่งทะเลย่อมมีคลื่นแต่คลื่นทะเลย่อมกระทบฝั่งในที่สุดมันต้องสิ้นสุดเป็น วันไหนโยมที่จะขึ้นฝั่งโยมเชื่อไหมว่าบทจะบรรลุผู้สั่งสมอบรมบุญบารมีแค่ฝนตกอยู่ใต้ชยายคาเห็นน้ำหยดลงมาเป็นฟองและแตกเข้าใจศัจธรรมอย่างถ่องแท้บรรลุอารหันเลย ง่ายเชียวง่ายขนาดนั้นเรื่องจริงแต่รู้ไม่ว่าเขาสั่งสมอบรมปัญญามาเนี่ยขอน้ำอย่งหยดเดียวเต็มโอง่งเต็มไห้แล้วเขาขาดเพียงน้ำหยดเดียวของเรายังขาดเป็นทะเลในบางที เขาดูน้ำหยดเดียวเต็มเปี่ยมเลยจิตนี้อุบกิเลของโรคบัดนี้ความทุกโศกรำไรรำพันมายาสาทยัยกิเลตตันหามันบ่าออกมาหมดเลยจากหัวใจเหมือนใจนั้นไม่มีที่ซุกซ่อนเก็บไว้ ไม่น่าก็ว่ารู้แจ้งก็คือไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเงื่อนงำไว้ทะลุโ ป, ปรงเรียกว่าปฏิเวทหรือปฏิเวทะแทงตลอดปลอดอวิชาเออแทงตลอดปลอดอวิชาไม่หลงมายาไม่หลงชีวิต ไม่ติดอยู่กับสิ่งมีประเสริฐ จ, จริงๆคุณเข้าใจพบเพื่อจากดีใจหรือเสียใจเราหลงบันทั้งหมดเลยก็บอกไงว่ามีเหมือนไม่มีไม่มีนั่นแหละคือมีและคําว่ามีนั่นแหละคือคําว่าไม่มีเข้าใจหลายๆรอบเข้าใจแบบ กลับไปกลับมาที่สุดมันก็คือมีสู่ความไม่มีไม่มีไปสู่ความมีมีสู่ความไม่มีมมมมมมมมกลับไปกลับมาอยู่จนกว่าเรายอมรับอะไรบ้างธรรมะเห็นอะไรเห็นคำว่ามีหรือเห็นว่าไม่มี พิจารณาถึงไหนแล้วถ้าขั้นหลุดพน้นก็จะเห็นแบบหนึง่งถ้ายังไม่หลุดพน้นก็เห็นแบบน่้โยมเข้าใจหรือว่าพวกเรามองเห็นเหมือนกันต่างครับใจที่เราเห็นโยมใจเนี่ยเห็นแบบเดียวกันหรือ ตายเห็นกับใจเห็นก็ยังเห็นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันที่เหมือนกันคืออรหันต์หมดกิเลสเหมือนกันอยู่ข้อเดียวต่มายังสงสัยว่าภูมิความรู้วสามารถอรหันต์ยังไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือจิตนั้นดับทุกหมดกิเลสที่เหมือนกันอยู่สองอย่าง หมดทุกดับกิเลส น, นอกนี้มีข้อตา่างบางองค์ปฏิบัติลำบากบรรลุช้าลำบากบรรลุเร็วสบายบรรลุช้าสบายบรรลุเร็วก็มีบอกโอ้มีหลากหลายบางคนมีทมคันติเป็นหอกนำ บางคนวิริยะเป็นห อ, อกนําบางคนเมตตาเป็นห อ, อกนำํำบอกโอ้แล้วแต่แล้วแต่บางคนทําสมาธิเป็นห อ, อกนําเจโตวิมุตติสมาธินําพาจิตเกิดฤทธิปฏิหารจนถึงความหลุดพ้นในท้ายที่สุดปัญญาวิมุตตรู้แจ้งก่อนแลนําพาจิตหลุดพ้น วิชาภาคียะเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติฉะนั้นใครจะเกิดจากการพิจารณาหรือเกิดจากสมาธิจิตและก็สุดท้ายตอนจบน้ำทุกหยดจะไปรวมที่มหาสมุทรมหาสมุทรเนี่ยพวกเราก็เหมือ น, ก, นการปฏิบัติตอนนี้ หลายคนดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นแล้วนะจะไม่รู้สึกว่ายึดติดอะไรกล้าที่สลระกล้าที่จะละสิ่งเหล่านั้นจากเหตุผลที่เคยยึดติดมั่นหมายบัดนี้เหตุผลนั้นหมดไปบอกสาธุแต่เมื่อไร วันนี้หลายคนอาจจะมองว่าพวกเรากำลังบ้าอยู่ก็ได้เพี้ยนอยู่ก็ได้บางคนก็บอกพวกคุณนี้หลงมากไปแล้วจริงๆแค่ทำบุญก็พอแล้วทำไมต้องบําเพ็ญธรรมด้วยเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยเขาเขาอ้างว่าเรายังมีหน้าที่ อ้างยังมีว่ามีภาระอ้างยังบอกว่าติดธุระอ้างบอกว่าประชุมยังมีอยู่ก็แล้วแต่ก็บอกเหตุผลสิบปีก่อนเรามีเหตุผลแบบนั้นจริงๆแต่สิบปีผ่านมาประสบการณ์ชีวิตที่เราเดินผ่านมาเราเข้าใจเหตุผลอีกแบบนึง จริงบอกภูมิจิตภูมิธรรมของมนุษย์มันก็ยังต่างกันนะต่างกันความปรารถนาก็ต่างกันแม้ทางโลกบางคนก็ต้องการสุดๆบางคนก็บอกเอาละแค่นี้ก็พอแล้วอีกคนบอกคุณนี่ไม่รักเสน่ห์ความเจริญฉันรู้อย่างนี้ฉันไม่แต่งกับคุณหรอกฉันนึกว่าคุณจะพาฉัน หอขึ้นเครื่องบินไปดูดวงจันทร์ที่แท้คุณทำให้ฉันเป็นเพียงแค่กระ่ายแง้มมองดวงจันทร์โถฟังแล้วน่าสงสารก็แล้วแต่บางคนสามีภรรยาความคิดแยกทางกันแต่ยังอยู่ร่วมกันอยู่อีกคนหนึ่งทะเยอทะยานอีกคนหนึ่งบอก หยุดได้แล้วพูดกันคนละภาษาพูดกันคนละความคิดและจิตก็นานาจิตต่างจิตต่างใจเอาละเรื่องนั้นไม่เป็นไรพักไว้กลับมาที่พวกเราพอเราเริ่ม มีพิจารณาอย่างมันต้องมีธรรมวิจยะการศาสตร์สองธรรมมียนิโสโธตั้งจิตโดยแยกคายเราต้องรู้เราเริ่มพิจารณาบางอย่างต้องรู้จากอุบายมีวิมังสามีอุบาย รู้อุบายหาอุบายคนฉลาดต้องรู้อุบายก็เรียกมีวิธีมีวิธีปฏิบัติมีวิธีทำสิ่งนั้นง่ายทำยากให้เป็นง่ายเออหรือทำหนักให้เป็นเบา จุดนี้แหละต่มาว่ามันเป็นเทคนิคของแต่ละคนมันเป็นวิธีแต่ละคนมันเป็นรูปแบบของแต่ละคนเหมือนการภาวนาบางคนนี้เขี้ยวเข็นตัวเองเข้มเลยนะเข้มนั่งตากแดดตากฝนเลยนั่งเข้มหนังลอกไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้เข้มนะ ปฏิบัติคนมุ่งความเพียรเอาเป็นอตายแต่ยังไม่ใช่บรรลุแค่เอาเป็นอตายความเพียรบางทีมันยังไม่ถึงเหมือนขุดบ่อแต่เร่งขุดวันขุดคืนก็ดี แต่ดูเหมือนว่าน้ำมันอยู่ลึกยังไม่พบตาน้ำบางคนขุดไม่ลึกสัมผัสได้แล้วมันชุ่มดินมาเริ่มเปียกๆแล้วขุดอีกไม่กี่เม็ดเจอตาน้ำนี่มันต้องมีเรื่อ ง, องมาวาสนาบารมี มันเหมือนนานาที่แห้งนาโนนนาลุ่มนาดอนมันก็มีหลากหลายวัสนาคุณบุญกรรมบา ร, รมีที่สั่งสมมาโยมเชื่อมาในครั้งอดีตพุทธกาลเป็นแค่ส ม, มนเณ น, นเด็กปรงผมยังไม่ทันหมดหัวเลยโยมได้ซีีกเดียวบรรลุอรหันต์ลูกศิษย์บรรลุก่อนอาจารย์ก็มี กัตมาอยากจะถามเด็กมันจะมีปัญญาอะไรกันนักกันหนามันบรรลุเร็วอะไรขนาดนะั้นจริงๆที่จะมมาบอกเขาขอน้าแค่หยดเดียวภาชนะนั้นเต็มเปี่ยมแล้วเขาขาดน้ำหยดเดียวธรรมะอะไรก็ได้ข้อเดียวทอนนั้นที่เขาพิจารณาใหม่ได้เขาบรรลุได้ นั่นแสดงว่าเขาทํามาเกือบจะเต็มแล้วถ้าพูดย้อนรอยไปถ้าไม่ผิดคนเหล่านี้ก็เป็นโสดาบันมาก่อนแล้วที่บอกเกิดไม่เกินเจ็ดอย่างมากพอเกิดมาปุ๊บภูมิเนอริยะมีอยู่แล้วสติสัมปชัญญะ เขาสมบูรณ์มาแล้วเพียงแต่ยี่ห้หูฟังพระสัต์ธรรมที่ตรงกับสภาววจิตที่เขาพิจารณาเขาก็รู้แจ้งพรานบัตรนะแต่มาบอกเออไม่สงสัยทุนเก่าข้อดีมา ทุนเก่าเขาดีมาอัตราตัวตนเขานี่มันมันน้อยมากแล้วจึงใช้ว่าเขาอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ใช่อยู่ด้วยอัตราตัวตนมันทางปุถุชนนะอริยะเขาอยู่ด้วยสติปัญญาปุถุชนนี่อยู่ด้วยอัตราตัวตนโอ้โหมันคนเราฝังกันเลยเข้ามาต่อภูมิชาติให้สมบูรณ์เท่านั้นเอง บรรลุเขาเข้าใจทำอะไรตามมาบอกน้ำหยดเดียวตกจากชัยค่ะเขาบรรลุเห็นไฟติดเผาป่าเกิดกสินขึ้นมาใจเข้าฌานได้ mm hmm. เราบางทีท้ามนั่งเพ่งองคนจะเพ่งดวงอาทิตย์ตาจะบอดออไม่ต้อง ผลาทผลขนาดนั้นอยู่มีวิธีอีกเยอะมีวิธีอีกเยอะถ้าเราเข้าใจหลักจริงๆดูกายดูจิตเนี่ยสองอย่างเนี่ยแล้วก็ดูเวทนานมันมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยึดสุขไม่ยึดทุกข์ไม่ยึ ด, ไ ม, ยดไม่สุขไม่ทุกข์ได้แต่มาบอกว่า ธรร ม, มะเกิดกับชีวิตในจิตเนี่ยเพราะทุกอย่างเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับใจเราไม่ยึดไม่ติดมันก็เกิดดับไปตามสิ่งที่เรารู้เห็นกระทบเหลือแค่ความรู้รู้รู้รู้ ร, รยึดติดมัน่นหมายไม่มีวางวางวางวางผ่านไปวันเดือนปีผ่านไปหลายหลา ย, ลายปีนี่จิตไม่มีใครอยาไม่ทับถมไม่หมักหมมอนุสัยจะเบาบางลง ตรรมาจริงบอกว่าต้องเริ่มจากเข า, าปรองให้ได้วางให้เป็นแล้วใจใจเย็นปรองไม่ได้วางไม่เป็นเย็นไม่ได้เมื่อเย็นไม่ได้คุณธรรมเบื้องสูงเนี่ยเราผ่านไม่ได้เพราะอะไรไมคนที่จะถึงคุณธรรมเบื้องสูงยมอยากเข้าใจนะว่าเขาบรรลุแบบอยากบรรลุไม่ใช่ความอยาก เป็นบารมีธรรมส่งเสริมจิตนั้นถึงขั้นหลุดพ้นแต่พื้นแห่งความหลุดพ้นโยมตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนจิตตั้งอยู่ที่มัธสุกติเป็นภูมิที่อยู่ขมามีสุกติภูมิจิตนั้นอยู่กับสุขติภูมิไม่ใช่ทุกคติภูมิ มีเทวธรรมมีเมตตาธรรมมีอาภัยมีอาโหสีแล้วจิตนั้นมีกำลังแห่งความตั้งมั่นอยู่ด้วยกุศลธรรมรำลึกพิจารณาธรรมอยู่ธรรมราโมธรรมราโตนะธรรมมังนะี่ยบ เราลึกถึงทรรมพิจารณาธรรมอยู่ตลอดอนุวิจิงแต่อย่างพิจารณาธรรมลำลึกถึงธรรมอยู่ตลอดใครครวรอยู่ในธรรมส่วนมากของเราเนี่ยเราจะเอาตัวเราอัตตาตัวตนทิฏฐิมานะ นี่มันเป็นสังโยชน์ทั้งหมดเลยนะอาตาตัวตนทิฏฐิมานะมันละอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่ง<อ>การ<อ>ภาวนาปฏิบัติสมาจิบ อ, อ, อกเฉือนเนื้อสำรอกใจมันต้องทำเฉือนเนื้อสำรอกใจ เชื้อเนื้อเราก็คือเราต้องพิจารณาเนื้อหนังบางสาเอ็นกระดูกกายยาทั้งหมดและออกมาไม่ใช่ความยึดติดแต่เป็นสิ่งที่เห็นโดยธาตุสีเราผ่านมันได้ไหมผ่านเอ็นกระดูกม่านบางตาเราผ่านมันได้ไหมเรามองทะลุไปถึงทำได้หรือเปล่าถ้าเรามองทะลุไม่ได้ ตัวตนมันจะบังด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกความงดความงามความสวยเครื่องประดับตกแต่งทั้งหมดเราจะเคริบเคลิ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยินดีพอใจดิดสีดีเปล่าร้องรำทำเพลงเราพอใจในลีลามายา ลีลายแห่งกายมายายแห่งใจที่แสดงออกไปเนะี่ยเคริบเคริบมันเหมือนถูกสะกดไม่นาพระเดเจ้าจึงบอกไม่ให้ยินดีอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงเพราะไปทำลายฌานให้เสื่อมลงทำลายจิตไม่สามารถให้สมาธิเกิดได้เอายมลองไปเคริบเคริบดูนะทปทำดูเด็ฌานไม่เกิดสมาธิตั้งไม่ได้ บอกเออถูกแล้วล่ะศีลตั้งแต่ข้อแปดเนี่ยอาจมาจะให้โยมฟังศีลหนึ่งถึงห้านี้ใครทำผิดบาปเกิดทุกข้อแต่ตั้งแต่ข้อหถึงข้อแดบาปไม่ได้มีตรงนั้นแต่เป็นการขูดขัดกราวกิเลสฟังให้ดีหนึ่ง่าสัตว์บาปทำลายชิดผู้อื่นรักทรัพย์ของผู้อื่นผิดผิดเนี่ยคนอื่นผิดพูดจะให้ร้ายกโตัวตะแลงผิดหมดคนอื่นเขาเดือดร้อน เสพ ย, ยาเสพติดสิ่งมึนเมามันเกิดโทษตัวเองนะอันตรายผู้อื่นพอเริ่มจากศีลก็หกไม่มีบาปเขาบอกให้อดข้าวยามวิการเพื่ออะไรลดความมากมากในการกินเป็นการขัดเกลาวเป็นการขูดกิเลสในความมากมากแห่งการกินและถ้าถามว่ากินข้าวละบากไหมยืนยันว่าไม่บาป ทำบาปโยมต้องบาปเหมือนกันถือศีลห้าก็ต้องบาปใครกินข้าวแล้วมีคนชดหน้าเนี่ยคุณทำบาปเลยนะแต่มามองหน้าเลยบาปก็อร่อยดีมีอีกไหมมันเคี้ยวได้กลืนได้ลื่นคอ อ, อมมะลินะไม่สน เรามาเข้าใจแล้วใครจะมาชี้หน้าคุณนี่ตกนรกบอกเออใจตกนรกใ ย, ยจะไม่รู้ใจอยู่สวรรค์ใ ย, ยจะไม่รู้เราอยู่มาแล้วไม่บาปแต่มันเป็นเรื่องของศีลที่ละเอียดเขาเรียกขูดกิเลสขัดเกลาหยุดความมากๆ คนไม่เข้าใจก็โอ้คุณบาปนะทำไมไม่ใช่กินข้าวไม่ได้เบียดเบียนทำลายใครไม่บาปหรอกเขียวแล้วคืนอิ่มเกินละเป็นบาปมันเป็นทุกข์ไงศีลข้อเจ็ดฟังเพลงบาปหรอมันพวกร้านทำอัลบั้มเพลงนี่บาปนักร้องก็บาปเต้นก็บาปรำก็บาป ไม่ใช่ไม่ได้เป็นบาปเบอร์ไปแล้วหรอกแต่มันทําให้เกิดใจเนี่ยมันเครือบเคลิ้มสมาธิตั้งไม่ได้เกิดความยินดีพอใจในเสียงอยู่มันก็เกิดความเครือบเคลมในเสียงทําให้สมาธิจิตเนี่ยรวมไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นข้อขัดเกลาให้เบาบาง เดบดอกไม้เสียบข้างคูเนี่ยแล้วก็เดินรนําเหมือนเงาะป่าเนี้ยโยมว่าโอ้มันบาปแล้วโกรพูดนี่ไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่ทําลายใครเขาไม่เบียดเบียนใครใครเดือดร้อนกับเขาเขาเดือดร้อนกับใครไม่มีเงาะมันก็เสียบดอกไม้แดงมีมารายคล้องครอ ง, อง ก, ก็รำไปเรื่อยเด็กก็วิ่งไล่ตามสนุกกับมันด้วยนะ ต่อมานั่งดูนะบาปเกิดยังไงเเมื่อเขาไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเพียงแต่ยินดีอยู่ในรถใ น, ในกลิ่นในเสียงอยู่อ๋อรู้แล้วเพื่อให้คู่ภาวนาจิตสามารถตั้งได้ถ้ายินดีแบบนี้จิตตั้งไม่ได้เข้าใจแล้วผ่านไปข้อแป โอยเรื่องที่หลับที่นอนเตียงสูงเตียงพิสดารที่นอนตอมาบอกโอยมันเป็นการขัดเกลาเกลเลถ้าคุณมาห่วงเตียงนอนห่วงเบาะห่วงคุณจะแบกไปไหนเนี่ยพระธุดงแ บ, บกเตียงไปตายตายอย่าไปแล้วแบกเบาะนาๆไปยายายายยอย่าๆเลยอย่าแต่ผู้โดยชนมนุษย์ที่เรานอนทุกวันเนี้ยเป็นบารบา ทำบาปคนขายบาปเป็นแถวเลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่ให้ติดอยู่ในการนอนนอนไหนก็นอนได้ชีวิตสุขได้ทุกได้อย่าไปยึดกับที่นอนนะคนเราเนี่ยมันมีแค่นี้ง่วงก็หลับเสียเสื้อพืนหมอนใบลับตื่นมาก็นั่นแหละฉุดยอดแล้วหลับแล้ว เขาไม่ให้เราไปติดอย่างนั้นไปติดความสบายที่ทำให้ต้องลำบากต้องแบกหอบหิว้วกันไปโอไม่ใช่ไม่ใช่หรือเป็นคนที่เลี้ยงยากบวชมายังยินดีสิ่งเหล่านี้อยู่คนก็ยังติดนิสัยเหมือนที่ยังไม่ได้บวชมาความหมายมันเป็นแบบนี้ทำให้เราต้องมาหมกมุ่นอยู่กับไอความเป็นตัวตนรักสบายรักสะดวกรับสนุกไม่ใช่ไม่ใช่ ใจมันไม่สามารถเข้าฌานได้ตมาอาอย่างนี้เองที่ตมาหายสงสัยต้องกำหนดจริงๆนะแล้วเราก็รู้แล้วเออมันอย่างนี้เองฟังๆกันมาตามๆกันมาสืบๆกันมาบางทีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ เล่ากันมาเชื่อกันมาบางทีกรรมาสูตรที่เขาว่าแต่ก็ต้องแยกกันนะเรื่องบางอยา่างสิ่งสืบทอดมานีประเสริฐก็ต้องสืบทอดต่อแต่ที่ว่าสืบควนแบบผิดผิ ด, ผดบูชายัยนฆ่าสัตว์แล้วได้ขึ้นสวรรค์นเนี่ยนะ ค่าแพห้าร้อยค่าม้าห้าร้อยค่าหญิงห้าร้อยค่าชายห้าร้อยบูชายัญแล้วจะได้เป็นพระอินทร์เนี่ยนะไม่ใช่แลนะมันไม่ใช่เริ่มคิดก็ตกนรกแล้วจะเป็นพระอินทร์ยังไงจะขึ้นสวรรค์ยังไงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นแล้วคุณบอกสวรรค์ไม่มีไม่มีสวรรค์ที่เบียดเบียนให้ร้ายทำลาย เข็นฆ่าไม่มีชาวหวานตรงนั้นตมนั่งกำหนดแบอบเออรู้แล้วศีลแปดคือศีลทำให้เบาบางขัดเก่าจากความยินดีมากๆพอใจลุ่มหลงอยู่ให้สิ่งนี้เราพึงสาเนียนเพื่ อ, เ, อเว้นจากสิ่งนี้เสียอย่าไปติดมันเนี่ มันทำให้ศีลละเอียดไงแต่ศีลจากนั่นมาไม่ได้มีบาปต่อให้ผิดล่วงลงไปปุ๊บเพียงเดียวเราปฏิบัติไม่ได้เราขัดเราละเอียดไม่ได้ใจก็ข้ามไม่ได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้เกิดคาว่าบาปต้องตกนรกไม่มีไม่มี เพราะมารู้บาปเกิดจากการเบียดเบียนให้ร้ายทำลายตัวเองเดือดร้อนก็เป็นบาปได้เหมือนฆ่าตัวตายเียกินยาตายทรมานอยู่เนี่ยทุกข์นะตายจิตตอนนั้นยมนึกหรือว่ามันไปสุคตเิเพราะมันเสียใจก่อนตายนั่นะนะคับแค้นก่อนตาย น้อยใจก่อนตายอกหักแล้วตายเนี่ยนะโว่ไม่มีสวรรค์นะโยมเดือดรุ่นไม่มีที่ยืนแล้วแล้วก็ปิดตัวเองตายทุกอย่างจบให้คนข้างหลังเขาสบ า, ายเข้าใจผิดชะตาชีวิตของสัตว์โลกล้วนมีกรรมของแต่ละคนยมปลดเปลื้องเขาไม่ได้หมดหรอกแกเข้าใจผิดแต่มาบอกว่าคนจนเกิดมามีฐานะแรงแค้น ส่งลูกหลานเรียนได้เท่าไหนก็เท่านั้นไม่ได้เป็นความผิดของเราเราเองก็ลำบากอยู่เออถ้าเราอยู่ดีกินดีมีเงินทองเยอะๆไม่ส่งลูกให้เรียนหนังสือไม่มีเสื้อผ้าเขาใส่นั่นใจเราก็ถือว่าไม่เอื้อเฟือแล้วมันก็ไม่ถูกต้องฉนันไม่ต้องโทษตัวเอง เลี้ยงเขาให้เป็นคนดีพอแล้วถ้าเขาจะไม่ดีก็ไม่ใช่เราผิดมันเป็นชะตาของเขาสิ่งที่เขาทําเราห้ามโดยเขาทําไม่ใช่ความผิดของเรามันเป็นความผิดของเขาธรรมาบอกจิตระวังได้แล้วหน้าที่ของเราพ่อแม่ส่งเสียลูกให้ได้รับการศึกษาโรงเรียนเพียนเขียนอ่าน ส่งตามกําลังที่ทำได้บางคนก็ทำเกินนะเป็นหนี้เป็นสินทุกอย่างเป็นหนี้สินก็สุดท้ายตัวเองเดือดร้อนพอลูกเรียนจบมันไม่ส่งให้สักบาทเลยมาพูดอีกทังถ้ากูรู้อย่างนี้นะกูบีบจมูกมันตา ย, ยได้แปดเดือนแล้วกูไม่ปล่อยให้มันรอดจนกูเป็นหนี้สินล้นพน้นมันไม่คิดถึงกูเลยกูมาใช้อยู่คนเดียว ไอ้ลูกนั้นมันก็อากดันอยู่จริงๆเรียนจบได้ดีกลัวว่านี่เป็นแม่เผยฐานะว่ายากจนไม่มีฐานะมั่นคงให้คนอื่นเขาดูอายเขาอย่าอายเนี่ยอย่าอายบอกดังๆว่าแม่เราพ่อเร า, วาเขวานขยะส่งเราเรียนจบมาภูมิใจไม่ใช่กลัวเขาจะรู้เข้าใจผิดเด็กอย่างนี้ นั่งรถบัสไปรเรียนหนังสือนั่งรถมีให้ขนเรียนจบมหาลัยเนี่ยโอ้หน้าภูมิใจไม่ใช่อายเขาความสําเร็จชีวิตมันอยู่ที่เราภาคเพียรในวันข้างหน้า น, นี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นถ้าอาการโยธรรมกไม่สวยจบไม่สวยตายไม่สวยชีวิตอยู่ก็ไม่ชะงา คุณเรียนมาแต่จิตใจคุณไม่มีมโนธรรมอะไรเลยคุณเหมือนไม่ใช่คนถ้าคนดีเขาไม่ลืมตัวตนคือไม่ลืมพ่อแม่ไม่ลืมผู้มีคุณของเราทุกอย่าง อย่าโทษตัวเองพอที่สุดเราทำดีที่สุดแล้วอย่าทุกขกับมันอีกพอล้ความทุกข์ใครว่าวางไม่ได้เมื่อถึงจุดหนึ่งมันต้องมีที่วางคนที่วางชีวิตไม่ได้ทั้งชีวิตลงท้ายไม่พ้นทุกข์เมื่อรอยนั่งคอยอย่าไปคอยเลยจะมาไม่ ไม่สอนให้รอคอยนะเดินไปเรื่อยสุดเส้นทางชีวิตตรงไหนเราก็ละวางตรงนั้นยิ้มให้โลกที่เราใช้มาให้เขาดูว่าเรายังยิ้มได้อยู่ ไม่หาลือโหดเกินไปสุดท้ายเราก็ยิ้มได้ก่อนนั้นยิ้มไม่ออกยิ้มได้ยอมจะมาเห็นแล้วว่าไปบรรยายที่การไฟฟ้ามาของส่วนภูวิภาคพอบรรยายสบแล้วจะกลับโยมก็กรูกเข้ามาท่านเจ้าคุณ มีอะไรติดไม้ติดมือให้โยมไหมเป็นเครื่องรางของขลังอาตมาก็มองหน้าแล้วก็ยิ้มบอกไม่มีหรอกโยมอาตมามีแค่รอยยิ้มมันเป็นความสุขคนเห็นก็มีความสุขโยมเาก็ยิ้มตอบเออโยมได้แล้วละ่ะอาตมาก็ได้ แ, แค่เนี้พอละ เพราะสิ่งที่งดงามที่สุดคือใบหน้าที่ขณะยิ้มเป็นสิ่งงดงามสิ่งที่สวยงามที่สุดคือทารกแรกเกิดใครก็ตามจิตที่แข็งกระด้างนักฆ่านักเยี่ยมนะพอเห็นทารกแรกเกิดฆ่าไม่ลงนะมันเป็นสิ่งที่งดงามสิ่งที่สวยงาม มันเป็นสิ่งที่ที่ดีอ่ะสรุปว่ามองแล้วทำให้จิตใจมันอ่อนลงเมตตาเกิดเพราะเด็กยังเป็นผ้าขาวอยู่จึงบอกเป็นสิ่งงดงามงดงามอา่อาสมควรนะโยนะ่ฟังยังไม่จบหรอกสุดท้ายใจโย่ ย่อมต้องสงบลงมาด้วยวิธีการปฏิบัติก็คือต้องรู้จักปรงละและก็วางแต่มาได้ทำใหม่นะี่บอใจไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีใจไม่หยุดที่สุดก็ไม่มีมันสองคำสิ้นสุดไม่มีที่สุดไม่มีใจของเรา นั่นโยมจะทำยังไงให้ใจเนี่ยโยมสามารถชำระมันได้ในความมีคืนกลับไปสู่ความไม่มีเราจะถอดถอนยังไงอนุสัยที่เรามั่นยึดติดอยู่ทำลายมันได้ยังไงถ้าโยมปล่อยไว้มันก็จะทำลายเราถึงบอกเลยว่า มาถึงที่สุดโยมต้องยอมรับชีวิตที่สุดก็ว่างเปล่าถ้าโยมไม่ยอมรับโยมก็ยังเจ็บกับมันต่อยหรือยังกังวลกับมันต่อยหรือยังผูกพันไม่มีวันสิ้นสุดทั้งๆั้งที่เราจะตายแล้วทำไมไม่หยุดใจเนี่ย ลมเจอหมดโยมก็ไม่หยุดใจอีกกาหนดลมหายใจทั้งชีวิตโยมก็ยังไม่เข้าใจอีกว่าที่สุดก็ต้องตายทําไมจิตนี้ไม่ว่างเสักทีทุกอย่างจากมาแล้วทำไมจิตนี้ไม่วา่า ง, า, วางจากสิ่งนั้นสักทีโยมต้องกลับไปทบทวนตัวเองใหม่ทาไมจะบรรลุไม่ได้ถ้าโยมเข้าใจธรรมะทองแท้ โยมจะพบนัติสันติปรมังสุขขังขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน